การฟังธรรมะเป็นการสลายจิตใจวัธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นทางสลายกิเลสตัณหาสลจิตใจของคนทุกคนที่เกิดมาเคยมีกิเลสตัณหาประจําใจไม่ว่าใครทั้งหมดแม้พระพุทธเจ้าเอง มีกิเลสตัณหาจึงเลยมาเกิดถ้าหากมันมีเชื่อของกิเลสตัณหาอยู่ภายในมีจิตใจบริสุทธิ์เกี่ยงการเกิดอีกคือภพชาติต่างๆก็จะหมดไปเพรใจบริสุทธิ์มัมีภพมีชาติเป็นความบริสุทธิ์จิตประเสริฐจิที่มีกิเลสตัณหา มีความทยานอยามีโลภโกรนห ล, ลงสังอยู่ในใจจะต้องอาศัยธรรมะเป็นเครื่องขัดเกลาไมา่อย่างนั้นจิตใจก็จะมืดทึบเข้าทุกวันทุกเวลาไม่ทราบว่าวะอะไรเป็นจิตอะไรเป็นกิเลสความสุขความสบายธรรมชาติเกิดจาก ก็ไมมองเห็นเลยไปเอาเรื่องความชอบความจิตความคิดความฟุงต่างๆมาเป็นตัวของตัวนี่คือทุกคนไปที่มีใจยังติดข้องในกิเลสตัณหาแต่นั้นทางธรรมะแห่งจึงสอนให้ชำระเรื่องเหล่านี้ให้หมดออกไปตกออกไป ใจที่เคยคิดลรงในเรื่องต่างๆภายนอกซึงไม่เคยอบรมธรรมะไม่เคยศึกษาไม่เคยปฏิบัติ ก, ม ก, มก็มีแต่คิดเลื่อนไปจะเป็นคนเรียนมามากขนาดไหนแทนทีใจจะมีความฉลาดรักษาตัวเองได้รับความสงบสุขมันก็เป็นไปไม่ได้ นอกจากการประพฤติปฏิบัติทางธรรมะเท่านั้นจิตใจที่มีธรรมะเป็นเครื่องรักษามีสติปัญญาเป็นเครื่องแนะสอนจิตใจของคนนั้นจะมีวันสงบระ ง, งับดับเดืองของกิเลสตัณหาได้ฉังนั้นทางธรรมะจึงจำเป็น ของทุกคนไม่ว่านักบวชไม่ว่าคารว่าหากขาดธรรมะคนนั้นจะไม่มีความสุขภายในใจถึงสมบัติเข่าของจะมีมากขนาดไหนแต่ความอยากของใจไม่เคยลดละมีมาเท่าไรก็ยังไม่มีความสุขความสบายภายในใจเพราะความจริงสิ่งเหล่านั้นสิ่งภายนอก มันไม่เส้นทางที่จะทำจิตทำใจให้สงบสุขเราจะคิดเห็นเข้าใจได้ในเมื่อเวลาป่วยหนักมาจะมีสมบัติพัฒฐานขนาดไหนใจก็ไม่เคยสงบไม่เคยเระงับมีแต่เดือดร้อนวุ่นวายคิดตรงปุ่งไปในสมบัติต่างๆกลัวว่าสมบัตินั้ น, น, นจะ ตกไปเป็นของคนนั้นคนนั้นมีห่วงมีห่วงอยู่ในตัวสม่ำเสมอไปถ้าใจมีธรรมะไม่เป็นอย่างนั้นถึงขั้นถึงคราวทป่วยหนักมาจะมีสติมีปัญญาเป็นเครื่องแนะนรู้เห็นในเรื่องต่างๆภายนอกเป็นของธรรมดาแจ็เจ็บตาย หรือเป็นธรรมดาจริงๆไม่ตื่นเต้นไม่หลงไหลเข้าใจถนัดในเรื่องเหล่านั้นถึงคราวถึงต่มัยที่รักษาไม่ได้โรคไม่ฟังยาก็ปล่อยมันไปตามธรรมชาติขาดขันของมันใจทองท่านไม่มีหวั่นไหวทุกภายในคือทุกป้องใจไม่มีนี่คือเรื่องของธรรมะสี่ผูปขอพติปฏิบัต รู้เข้าใจภายในตัวจะจะรู้ใจเห็นจะดีจะเด่นได้ก็ต้องอาศัยการฝึกอบรมใจของตนรตประฏิบัติเมืองต้นก็อาศัยความสงบสงัดของจิตความสงบสงัดของจิตผููทีไม่เคยฝึกอบรมก็ไม่ทราวบว่ามันสงบส ง, งัดอย่างไรเกิดเลินแต่เรื่องนอก แต่ความสงบในอดในธรรมไม่เคยมีแต่นั้นทางธรรมะก่อนอื่นที่จะฝึกธรรมะที่เจรนาธรรมะให้รู้เห็นตามเป็นจริงฉ่นนจึงให้ฝึกจิตให้สงบเสียก่อนเย่กว่าสมาธิสมาธิืึความหนักแน่นของใจความสงบของใจทุกคนไปประฏิบัติฝึกอบรมได้ไม่ใช่เป็นหน้าจีของ นักบวชหายเดียวพระอาธิยาโยมผููทีมุ่งหวังอยากจะมีจิตเป็นสุขก็ต้ตองฝึกอบรมตัวสมาธินั้นก่อนจะเข้าไปสงบใจ่านเนสสอนไว้หลายวิธีทางํำหรับํำลาเรียกว่าสมาธะ ห, หมายถึงทางสงบของใจสอนไว้ตั้งหลายอย่าง แต่ถึงอย่างไรก็าตามเราทุกคนต้องั้งเจ็บตนของตนชอบอะไรก็อเอาอันนั้นมาฝึกใจทองตนเหมือนกันกับคนไข้ในต้องไปซื้อเอาหมดยาที่เขาขายในท้องตลาดซื้อเอาแต่สิ่งที่มันจะมารักษาโรคไยในตัวของตัวให้สบายหายจากโรคเท่านั้นฉันใด คำคำสอนของพุทธเจ้าที่สอนเรื่องของสมถะตรงเหมือนกันเราไม่ต้องไปกำหนดทุกบททุกบาทที่่ันนี้สอนจะกำหนดอะไรก็ได้เช่นพุทโทรธธ ร, รมโมสังโฆหรือเจสาโรมานาะคาทันตาที่สันกล่าวไว้เอาคำเดียวเท่านั้นพุทโธพุทโธเท่านั้นก็เป็นผลเป็นประโยชน์ใจเราชอบ แต่ให้ผูกจิตจิตแน่นจริงๆคือเราจะกำหนดพุทโธไว้ผูกจิตว่าพุทโธนี้แหละจะยังจิตของเราจะเคยปรุงปรุงต่างๆให้สงบระงับเมื่อใดจิตของเราสติของเราปัญญาของเราอย่างรละลึกนึกพุทโธได้เราจะไม่ติดตามอารมณ์อันอื่น เป็นอันขาดหากจิตยังไม่สงบทุงที่เพราะถ้าหากเราติดตามเรื่องสัญญาอารมณ์ที่ขุดขึ้นหรือผ่านมาเราก็จะเผอจากพุโทโธไปแล้วจิตก็จะไปคิดตัวเรื่องใหม่ไม่มีวันเวลาที่จะผ่องใสสงบสุขฉะนั้นท่านจึงให้ปลูกจิตคิดนึกในเรื่องคำบริกรรมของตนให้มั่นให้แน่น สัญญาอารมณ์อันอื่นผ่านมาหรือเกิดขึ้นไม่ให้จิตตามจนจิตเป็นพุตทโธพุตโธเป็นจิตอยู่อย่างนั้นผลที่สุดจิตก็รวมลงไปจิตรวมหาจากสัญญาเวทนาจะระลึกนึกพุตทโฟทไม่ได้ไม่มีการขาดหมายอะไรคือจิตรวมรวมลงเป็นหนึ่ง เป็นเอกัตานีน่แต่สติรู้เท่านั้นไม่มีอันอื่นมาแฝงเมื่อจิตรวมลงอย่างนั้นเราก็เกิดอัศจรรย์ว่าความสุขที่เราเคยประสบพบมาในความสุขอะไรที่หลอกสมมติว่าไปดูอันนั้นไปฟังอันนี้มีความสุขความสบายความสงบเราเคยผ่านมา ความสุขส่วนนั้นกับความสุขของความสงบจากการภาวนาการทําสมาธิจิตแปรแตกต่างกันมากหากเราเห็นความสุขของใจจิตเข้าไปลงรวมเป็นเอกคบตาไดา้จะไม่มีความหมายอะไรเรื่องภายนอกเพราะเรื่องความสุขจิตเราเห็นเราเป็นบ่งบอก ชัดเจนจากความสุขอันนี้มีความสุขเลิศประเสิฐยิ่งกว่าความสุขถั่วไปแต่เกิดมาจนกระทั่งวันนี้ถึงตัวรู้ตัวเห็นว่าจิตมีความสุขอย่างนี้ก็จิตใจเชื่อมัน่นอยาก ป, ปฏิบัติจิตเมื่อรวงรวมอยู่อย่างนั้นมันไม่มีการเวลาไม่ได้คาดว่ากี่นาทีชั่วโมง มันในเด็กรุงจิตออกมาภายนอกหากรงมรวมอยู่อย่างนั้นไมนมีการถอดถอนจะนั่งกี่ชั่วโมงกี่วันกี่เดือนก็ได้เพราะจิตไม่มีความหมายความยากั่วไปหายในเด็กคิดนี่แต่ความรู้เป็นหนึ่งอยู่อย่างนั้นมันสุขเติบเติบเลื่อนลอยกว่าความสุขที่เราเคยพบผ่านมา ฉะนั้นท่านจึงให้ฝึกจิตให้รู้เห็นเป็นเบื้องต้นถ้าสงบได้ระ ง, งับได้มีความสุขความสบายพอถอนขึ้นมาจากความสงบจะพิจารณาอะไรพอเข้าใจตามเป็นจริงไม่ใช่เอาสัญญาไปหมายเหมือนจิตธรรมดาพิจารณาอะไรเข้าใจในสิ่งหั้นนั้น สวนจิตยอมจำนนไม่ตื่นเต้นในอารมณ์สัญญารูกเสียงเรื่องราวต่างๆทางกระยูสบายหัวใจไม่หลงตามรูกตามเสียงรู้พิจารณาได้จะพิจารณาอะไรแบกาคดโดยส่วนใหญ่ทางศาสนาหรือครูอาจารย์ตำรับตำลา สอนให้พิจรารณากายของตัวกายเป็นของสําคัญที่พวกเราท่านไม่คอยเด็พิจรารณาจึงเกิดทิเหลือตัณหาติดข้องโดยส่วนมากคนที่ไม่มีจิตใจเป็นธรรมมากอยากจะบำรุงเรื่องของกายมากกว่าการบำรุงเรื่องของจิตเจตหาอันนั้นเจตหาอันนี้มาบงรุง บำเลอกายเฝื่อใจใกายได้ความสุขความสบายเดืดส่วนจิตไม่ไดีหาอะไรรักษาบำรุงมันเดือนนั้นมันจึงเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายต่างๆนานาเพราะไม่มีธรรมะเป็นเสื่องรักษาไม่มีธรรมะเป็นเสื่องแนีสอนไม่มีธรรม ะ, เ ป, รมะเป็นอาหารของจิตการฝึกจิตมาได้รับความสงบ จิตได้พักผ่นี้พิจรารณาเรื่องของกายตัวเองตัวดีพิจรารณากายของคนอื่นตัดีก็เข้าใจตามเป็นจริงความจริงของกายเป็นอย่างไรท่านต้องแยงแยะทินี้พิจรารณาเป็นส่วนๆออกไปจากพิจรารณาเรื่อง เอ็นเรื่องกระดูกเรื่องหนังเรื่องเนื้อพอพิจารณาได้แล้วส่วนเหล่านั้นมันเป็นอะไรกันแน่สวยสดงดงามไหมรอปตีปูนอย่างไรจิตเมื่อมีสมาธิจะต้องรู้เห็นเด่นชัดตามเป็นจริงธาตุันรูเหมือนกันไม่มีหญิงไม่มีชาย นอกจากจิตไปหมายจิตไปปรุงเท่านั้นเมื่อจิตเข้าใจชัดเจนว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของปฏิปูลเป็นของอนิจจังเป็นของบอกไม่ได้จะเป็นไปตามธรรมชาติของมันตามเรื่องของธาตุของขันเข้าใจชัดเจนเห็นไปจาก ว่าจิงเหล่านั้นมันแปรสะายไปตามนาทีของมันที่เราเกิดทุกข์เพราะความยึดถือของใจจิิงเหล่านั้นเขาไม่มีความหมายอะไรนาทีเขาเป็นอย่างไรเขาก็เป็นไปตามธรรมชาติของเขาเคยรักเคยชอบเคยยินดีกับอะไรนอกจากใจการชำระใจจึงเป็นของสาคัญ ถ้าเขาถึงเรื่องท้องใจกายจึงไม่มีความหมายกายนี้เป็นจิตอยู่ที่อาศัยของจิตเมื่อจิตสงบระ ง, งับเมื่อจิตมีอาจมีธรรมประจําแล้วท่านอยู่เป็นสุขเพราะท่านเห็นของท่านอย่างไรสัตว์อื่นคนอื่นทั่วไปในโลกเหมือนกัน ไม่มีหลงตลอดการจะไปหลงอะไรเงื่อนังเอ็นกระดูเขาะเรามีอย่างไรของเขาก็มีอย่างนั้นรือเงื่อนังเอ็นกระดูส่วนนี้มันให้สุขหรือให้ทุกข์อย่างไรเราก็ทราบดีว่ามันให้แต่ทุกข์สุขมันไม่เคยนำมาให้จิตใจที่หลงไหลจิตใจที่ไม่มีธรรมะจึงเกิดกิเลสตัณหา ไ่ขาดหมายเอาว่ามันสวยมันงามอย่างนั้นอย่างนี้โดยไม่ได้ขี่พายดูกายของตัวเหน่ยธรรมะหากขี่ทายถลกหนังออกไปเป็นอย่างไรคนจะสวยขนาดไหนก็ตามถ้าไม่มีหนังหุ่มห่อแล้วดูไม่ได้ตัวกันแล้วในเมื่อในตัวของเราในกายของเรามีอะไรเป็นคุณค่าสารประโยชน์ หนังขายได้ไหมเมื่อเอ็นกระดูขายได้ไหมขายไม่ได้ทั้งนั้นเดี๋ยวทำไมไปชอบไปหลงกันได้กำหนักกับอะไรนี่การพิจรารณากายของตัวถ้าแยบคายเท่าไรใจจะไม่ยึดไม่ถือไม่ติดไม่ช้อบนอกจากนั้นจะพิจาจรณาลงไปในเรื่องของธาตุใ้อันนี้ธาตุใหญ่ๆมีสี่อย่างคือธาตุดินน้ำไฟลม ธาตุดินธาตุหินรู้เห็นเด่นชัดเป็นจริงมันดินเท่านั้นไม่มีความหมายอันอื่นที่มันมาผสมกันเข้าก็่าช่วระยะเวลาแล้วก็จะแตกสลายลงไปเป็นดินตามถาดของมันน้ำก็เหมือนกันยิ่งลมก็สลายอยู่ทุกวันทุกเวลาความจริงความตายมีโลกหมาย คือหมดลมหายใจแต่ทางธรรมะความตายนั้นมันตายอยู่ทุกระยะทุกเวลาหาพิีร่รณาไม่ใช่ว่าเราไม่เคยตายตายจากครันของมารดามาเป็นเด็กเล็กเด็กแดงตายจากเด็กเล็กเด็กแดงมาเป็นเด็กรุ่นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวตายเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันมันก็ตายอยู่มีความตายของเรื่องของกายตาย อยู่ตลอดเวลายิ่งพลาดละเอียดเท่าไรก็ยิ่งตายง่ายดับง่ายหากจิตลู่เห็นเป็นจริงอย่างนั้นมันไม่มีอะไรที่จะเผยเดินในเรื่องกายในเรื่องความเกิดยี่เป็นเรื่องที่จะพิจารณาได้แยบคายเพอใจสงบถ้าใจไม่มีพื้นของสมาธิใจไม่มีความสงบแล้วพิจรารณา มันละมันถอนมันปล่อยมันวางไม่ได้พอพิจารณาได้พอคาดได้หมายได้แต่เธอว่ามันไม่ละไม่ถอนไม่รู้เห็นตามเป็นจริงมันจึงหลงยึดหลงถือว่าหญิงว่าชายแล้วชอบเบียดตามความเป็นของจิตที่มีจิเล็ถชาจิตรู้เห็นตามเป็นจริงจริงเหล่านั้น ก็สักแต่ว่าถ้าไม่มีอะไรผิดแปกแตกต่างกันเราท่านสี่สมมติมันเหมือนกันหมดเราจะไปหลงอะไรเรามีอย่างไรเขาก็มีอย่างนั้นมันก็หมดปัญหาที่จะไปสูงกรุงจิตเนึกติดข้องในสิ่งต่างๆการชาระใจจึงเป็นเรื่องสำคัญที่พวกเราทุกคนควรชาระเพราะใจเท่านั้นที่ ทำให้วุ่นวายกอบวรตัวเองตลอดเวลาหากไม่ําระก็ไม่มีทางที่จะผ่องใสที่จะบริสุทธิ์ได้การชำระใจก็ไม่มีอะไรอื่นที่จะประเสริฐยิเศษไปกว่าทําคําสอนของพระพุทธเจ้าทําคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่หน้าที่ของคนอื่นที่จะนํามาสําระนอกจากตัวของตัวจะมา สำละที่เจรนาตัวเองเพราะทุกคนทําใมผูกขาดมาเป็นคาราวาหรือบรรพชิตทํานั้นเป็นของกลางไทศึกษาไทยนำมาปฏิบัติจะเป็นสมบัติของคนนั้นแร้พผู้ใช้จ่ า, า, จาปรินิพานไปไม่ได้หอบธรรมะออกจากโลกไปยังเหลืออยู่ทุกส ม, มุทัยนิโรธมะกยังมี หากปฏิบัติถูกต้องตามหลักธรรมแล้วเรื่องมรรคผลไม่ต้องสงสัยจะต้องเห็นไปจากชาัดเจนภายในใจของตัวหากปฏิบัติไม่ถูกต้องทิจรณาไม่เข้าหลักของธรรมะจะเรียนมาขนาดไหนก็ไม่มีทางที่จะทำทีิเลตัญหาให้ตกออกไป มีแต่เพิ่มคิดคิดมานะว่าเราเคยศึกษาเรียนได้ม า, มากไม่ไกลกองอย่างนั้นอย่างนี้มีผู้มากล่าวตูดูถูกมากอยากจะเกิดคิดคิดมานะแรงจ่าเกินไปนี่คือใจที่ไหมมีทำยังจดจําอัดทำภายนอกมาเป็นสมบัติของตัวถ้าหากเราปฏิบัติ ธรรมะเกิดขึ้นภายในจิตในจิตดวงอย่างนั้นเขาว่าเขาดา่าหากูมีธรรมะก็ต้องพิจรารณาเรามันเสียอย่างทาเขาว่าหรือเปล่าจีาเขาด่าเขาว่า้าเราชั่วเราเสียประพฤติไม่ดีมีหลักธรรมอะไรเขาว่าก็ถูกคาเขาควรบูชา ควรจะนํามาเยียไข้กายวาจาใจของตนที่เขาตำหนิว่าไม่ดีไม่ชอบต่างๆเขาชมก็ไม่เหือ่อไม่ตื่นหดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เราดีหรือไม่ต้องมองเข้ามาภายในถูกต้องหรือไม่คือต้ชมเราว่าเราดีอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเรายังไม่ดีก็อย่าไปตื่นเต้นอย่าไปดีใจรีบเร่งประพฤติปฏิบัต เท่ามองเร า, าดีแต่เรายังชั่วยังเสียอยู่ควรที่จะระายในใจรีดแกไขความชั่วเสียต่างๆให้ตกออกไปนี่ผู้ที่มีธรรมะจะไปสถานที่ใดใจเป็นธรรมะสะดวกสบายไม่ว่าตาเห็นหนูได้ยินจิตใจมีความสุขมีความสบายพิจารณาแยบทายในเรื่องต่างๆ ไม่หลงไหลลืมตัวผูที่ประพฤติปฏิบัติธรรมจึงคงเส้นคงวามีความสุขประจําตัวอยู่สม่ำเสมอสุขของใจสุขของการประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ต้องหอบหิวหาบหามไม่ต้องเจ็บให้อัดแอร์สถานที่เพราะเป็นนามธรรม จะทราบดีภายในใจของตัวตัวที่มีธรรมะภายในตัวถึงคนอื่นเขาจะไม่รู้ไม่เห็นท่านก็ไม่ <c oughs> มีความทุกข์ถึงคนอื่นเขาเห็นก็ไม่มีทางที่เขาจะมาแย่งเอาไปได้ธรรมะจึงเป็นอริยทรัพย์คือทรัพย์ภายใน้าใครมีในใจของตัวคนนั้นมีความสุข จะอยู่เป็นมนุษย์เหมือนกันในโรกไทยไข่เจ็บเบียดเบียนเหมือนคนอื่นแต่เท่าว่าจิตใจของท่านหลายทุเจนาแยบหายต่อใจไปจากชัดเจนไม่ตื่นเต้นไม่หลงไหลตายหรืออยู่คุณค่าเสมอกันไม่มีอะไรที่จะห่วงใยในความเป็นอยู่ของตัวตัวเราไม่เป็นอย่างนั้น เมื่อธาตุขันป่วยไข้จะมีการเสีย อ, อกเสียใจวิ่งเส้นหา ห, หาหมอมารักษาอยากจะให้กายของตัวหายปกติดีงามเพื่ออะไรก็กขอใจยังไม่ได้ไม่ถึงสิ่งที่ตนต้องการยังห่วงยังห่วงเมื่อมีกายอยู่กว่าจะเด้ ทำคืองามความดีขึ้นไปเหมือนกันกับเราข้ามแม่น้ําอาศัยเรืออาศัยแพระยะที่เรายังข้ามไม่ถึงฝั่งเรากาตร็ต้องห่วงต้องห่วงแพหรือเรือไม่อย่างนั้นเรือโจมลงไปเราก็าจะละําบักข้ามไม่ถึงฝั่งพรยังไม่ถึงฝั่งเมื่อไปถึงฝั่งแล้วเรือแพก็าหามไปด้วยหรือ เขาก็จะต้องจอดทิ้งไว้ถ้าเรื่อปล่อยมันไปตามลำน้ำหาหาไม่ต้องการจะกลับอีกมีการประพฤติปฏิบัติธรรมะไม่มีการกลับขึ้นมาฝั่งเก่าปกติผู้ที่ประพฤติปฏิบัติเมื่อรู้เห็นเด่นชัดเป็นจริงท่านจะไม่ห่วงไม่หวงคือไม่อยากกลับมาอีกโลกสมมุต โลภทุกโลภยากโลภลำบากลาําขานท่านรู้ท่นานคอยใจเมื่อท่านถึงจุดหมายปลายทางน่ะท่านจึงไม่มีห่วงมีห่วงทั้งขานร่างกายตายแล้ว อ, อยู่จึงไม่เป็นปัญหาสําหรับท่านไม่มีอะไรห่วงใยเรื่องของสังขารของขันเพราะคอใจกันชัดเจนมันเรื่องขาดเรื่องขันมันเป็นอย่างไรเข้าใจอยู่แล้วแต่ต้นมือตัวพืชปฏิบัติ ที่เจอานายแยบทายไม่ได้หลงไหลเมื่ออยู่ไปจะได้อะไรอีกเพราะใจที่ต้องการที่ปรารถนาได้ประพฤติปฏิบัติมาจนถึงที่สุดว่าอยู่ไปอีกหมื่นปีแสนปีคว า, ามดีจะมีอีกไหมท่านก็ทราบว่ามันหมดเท่านั้นการละการบำเพ็ญของใจจึงไม่มีการห่วง การห่วงในการเป็นการตายอยู่ก็ไม่ได้อะไรตายก็ไม่ได้อะไรอีกความบริสุทธิ์มีอย่างไรเป็นความบริสุทธิ์ของใจเียงแข่นะแต่เป็นประโยชน์สาหรับคนอื่นตกายยังอยู่เขามาทำบุญ้นชานมากราบมาไหว้ผู้ศริต้องการบุญเขาจะได้รับความสุขความสบายจากการจารทำบุญเพียของเขาแต่ตัวของท่านเอง หมดคุณค่าสาระไม่มีอะไรที่จะดีวิเศษไปอีกได้ไม่ปราศนะอะไรทางใจของท่านเพราะไปสบพบความบริสุทธิ์สมบูรณ์แล้วแต่บางคนก็อาจจะสงสยัยคนที่ไม่มีความอยากเอาอะไรไปให้ทําไมปาา่ปราศนะจะได้บุญได้กุศลอย่างไรกพท่านหมดความอยากแนละ้ว ก็ให้คิดดูแผ่นดินที่เราปูกสร้างของต่างๆลงไปกืดพันธุ์ถ้าดินดีพื้นที่มันบอกดูต้นไม้ใบยาก็ทราบว่าที่นั้นมีปุ๋ยดีปลูกอะไรจะต้องงอกงามดีแล้วปลูกลงไปดินมันก็ไม่ว่าอะไรเราจะปลูก เพืชอะไรลงไปดินไมไม่เคยยินดีดินไม่เคยยินร้าในพืชพันธุ์ที่เราปลูกลงไปแต่พืชพันธุ์นั้นก็งอกงามให้สำหรับคนที่ไปปลูกฝังเมื่อตกดอกออกผลมาเขาก็เจ็บเกี่ยวเอาพืชพันธุ์ของเขาได้สะดวกสบายฉันได้จิตใจของ่านถูกบริสุทธิ์ก็ไม่มีความอยากเหมือนกันกับแผ่นดินแต่ผู้ที่ต้องการ ผลประโยชน์จากท่านได้สมบูรณ์ไม่มีทางเสียหายดังนั้นคนมีปัญญาจึงได้เปรียบคนไม่มีปัญญาเสมอไปไม่ว่าจะทำอะไรการทำบุญทุนทานในทางศาสนาเราพุทธเจ้าก็เคยแนะนเอาไว้วิเจยะทานังทาตตับบังให้พิจารณาแยบทายเช่อก่อนจึงให้ทาน ในใจว่าจะให้ไปซุ่ม 4, สีุ่มห้าต้องพิจรารณาคายในใจแยบคายว่าจะได้สาราประโยชน์อย่างไรตามจริงการพิจารณาแยบคายเป็นอุบายปัญญาของบุคคลคนที่มีปัญญาทําอะไรจะต้องพิจรารณาไม่ใช่ทําไปสุม 4, สี่ซุมห้าเพียงแต่ปลูกบ้านอยู่อาศัยก็ต้องที่นี่พิจรารณา ที่จะปลูกว่าเหมาะสมหรือไม่คนที่ทำไร่ทำสวนเขาก็ต้องพิจารณาจะเหมาะสมกับพืชแบบไหนตอนมีการพิจารณาทางนั้นไม่ใช่ว่าเลือกที่รักผัก ท, ที่ชังไม่เป็นอย่างนั้นพระพุท้เจ้าท่านให้พิจรารณาถ้าทำไปโดยสุ่มสีสุ่มห้าอาจจะขาดคุณคุ้มกำไร การทำบุญท้นทานก็บทำนองเดียวกัน่านจริงบอกว่าปุญยาเกตตังโลกัสสะท้าสงเป็นเนื้อนาบุญของโลกท้าสงเป็นท้าสงจริงจริงจะเป็นเนื้อนาบุญได้ถ้าท้าสงปลอมไม่มีศีลมีธรรมมาเกาอาศัยศาสนาทำลายศาสนาเราไปบำรุงรักษา ไปส่งเสริมคนแบบนั้นมันก็เหมือนกันกันกบเอาเอาวุธไปให้โจนจะปล่นศาสนาทำร้ายศาสนาทำให้เขามีกำลังทำร้ายคนอื่นได้สะดวกสบายโจนที่มีอาวุธเป็นอย่างนั้นถ้าโจนไม่มีคนบำรุงหรือหมดอาวุธมันก็ทำอะไรมากมายในด่า ฉันใดศาสนาที่เสื่อมลงไปไม่มีใครสนใจทุกวันนี้มีก็ส่วนน้อยกเพราะเหตุว่าท้าสงศิบวชในศาสนาประพฤติทําวินไม่คงเจ็นคงวางประพฤติไปตามกิเลสตัณหาฟ้องตัวอยากทำชั่วทำเสียอย่างไรก็ทำไปไม่ได้คิดว่าเหยียบย่าทำลายศ า, า, า, าสนาเหตุนั้นคนเห็นเข้าจึงไม่มีศรัทธาไม่น่าเลื่อมใส ไม่วาจิยญาณทายนอกประพืชทางกายทางวายจาตลอดถึงเรื่องจิตใจไม่มีอะไรที่จะน่าเรื่องใสคนจิตต้องการบุญหน่วงที่นี้ที่เจนาเห็นว่าคนพิสุสามเณรหรือพาะสงฆ์เหล่านั้นไม่มีอะไรเรื่องธรรมนี้ในในตัวจะไปหาบุญกับคนแบบนั้นก็เหมือนกันกับ หาเหลือดจากกูไม่มีเวลาที่จะเจอให้ดังนั้นท่านจึงให้พี่นี่พิจารณาจะทำอะไรให้พิจารณาในใจแยบคายหากเราพิจารณาแยบคายมันไม่ผิดการบำรุงศาสนาเป็นหน้าที่ของอุบาสิากาศาสนาจะยืนยงคงอยู่ยิสุสามเณรจะได้ประพฤติธปฏิบัติ จะมีธรรมะมาสอนโลกต่อไปเกาะอาศัยญาติโ ย, ยมเป็นผู้อุปถัมภ์รักษาศาสนาไม่ใช่ว่าจะมีหน้าที่แต่ภิกษุสามเณรเป็นผู้รักษาเท่านั้นพระพุทธเจ้าท่าทนมอบให้บริษัททั้งสี่คือภิกษุภิกษุนี้อุบาสก อ, อุบาสิกาสมัยปัจจุบันนี้ภิกษุนี้หมดไปขอ่าภิกษุสามเณรอุบาสก อ, อุบาสิกาหมายถึงชราภาพชายหญิงที่ดูแลศาสนาฮะ เราเข้าใจว่าพวกนั้นหมูนั้นหรือคนนั้นประพฤติไม่ดีอย่าบำรุงอย่ารักษาอย่าทนุถนอมเรื่องคนที่ชั่วที่เสียประพฤติเกะกะล่าลานเหยียบย่ำทำลายศาสนาก็จะหมดไปเองเพราะจะอยู่ในศาสนาต่อไปก็ไม่มีใครจะเหลื่อมใสศรัทธาเขาจะออกมา เป็นคาราวาหหาอยากหาจินตามเรื่องของเขาเองถ้าเรายังบำรุงเสมอการกับผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบยังประพฤติยังมีศรัทธาเรื่องบาเรื่องไหล่ของเขาไม่ทราบว่าคนใดทําดีทําชั่วยังสนับสนุนเสมอกันโจร ศาสนาคือพระเนนที่ไม่มีธรรมดีในกว่าจะมีจำนวนมากขึ้นจะเหยียบย่ำทำลายเรื่อยไปแต่นั้นการจะ่ทำบําเพ็ญทางทานวัตถุก็กต้องทีนี้พิจรารณาหาสถานที่หาบุคคลควรอย่างไรก่อพิจรารณาวินิชัยให้แ ย, ยบคายภายในใจเชี่ยก่อน สอนละเอียดธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ว่าสอนด้านให้ทานรักษาศีลหรือเมตตาภาวนาสอนทางโลกหรือทางธรรม ท, ทนันแยบทางไม่ว่าต่างกัจะเลือกหาที่ทําบุญสืบทานจะผูกคล้องคล้องเราหัวเมียเขาก็เรียง ก, กันไม่ใช่ว่าเป็นผู้หญิงจะเอามาเป็นเมียหมดเป็นผู้ชายจะเอามาเป็นหัวหมดมันไม่เป็นอย่างนั้นต้องเลือกดู ว่าคนนั้นจะสมควรหรือไม่เมื่อได้มาเป็นสามีหรือเป็นภรรยาจะมีความสูกกายสบายใจหรือมันจะมาทำอะไรต้องพิจารณาแยบถายแต่ถึงพิจารณาขนาดนั้นบางทีก็ยังพลาดผิดไปได้ยิ่งไม่พิจารณาเฉยเลยก็ไปกันใหญ่ทางศาสนาท่านสอนทุกแง่ทุก ม, มุมให้พิจารณาคนที่มีปัญญาจึงได้เปรียบ จนไม่มีปัญญาเรื่อยไปการพิจรารณาภายในก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าเราทําไปมันจะเป็นอย่างไรไม่เดี๋นี้พิจรารณาใจที่เคยได้รับ <c oughs> ความสุขความสงบมันต้องมีเหตุมีผลมันจึงสงบไปได้ที่มันพุ่งปฟงมันเกิดต้องมีเหตุมีผลของมันมันจึงไม่ยอมสงบระงับเราต้องที่นี้พิจรารณาว่ามันเกิดขึ้นมาจาก อะไรกันแน่ทางพิจารณาใจตัวเองมันก็มีอีกการฟังธรรมะหรือการพิจารณาตัวเองการปฏิบัติธรรมะเป็นหน้าที่ของทุกคนศาสนาถึงจะดีวิเศษประเสริฐขนาดไหนถ้ามันไม่มีภายในใจของเรามันก็ไม่เป็นประโยชน์ให้เหมือนสมบัตินี่อยู่ในครั้ง มากมายกายกองแต่เราอยู่บ้านนอกหรืออยู่ในบ้านของเราไม่มีสมบัติอะไรมันก็ไม่เป็นประโยชน์ให้มันเป็นของคนอื่นไม่ใช่เป็นของของตร น, นี่ธรรมะของพระพุทธจเจ้าดีเลิศประเสริฐจริงของพระสาวกนี้เลิศประเสริฐจริงแต่ตัวของเราเป็นอย่างไรนี่คือเราไม่มีศาสนาในใจ ถ้าหาเรามีศาสนาในใจคนอื่นทั่วไปเขาว่าศาสนาเสื่อมไม่มีอะไรดีวิเศษแต่เราเห็นเราเปลียนภายในตัวของเราเขาเจะว่าจนปากเขาฉีกไปกว่าตา่าคผลงามความดีความเลิศประเสริฐภายในจิตในใจของเราไม่เคยตกเคยหลุดออกไป ถ้าหากเราเป็นเราเห็นเรารู้ศาสนาที่สำคัญที่สุดก็คืออยู่ในตัวของพวกเราทุกคนอันไี้อยู่ที่อื่นถ้าหากเราฝึกฝนอบรมตนของตนศีล ร, รักษาสมาธิมีในจิตในใจปัญญาแก้ไขกิเลสมีอีกสามสงบระ ง, งับดับกิเลสตัณหาเป็นอย่างไร ซึงจำหรับตำราเก่าไว้บารีมุเราเห็นเด่นชัดภายในตัวของเราจะมีทางสงสัยอะไรมันจะเสื่อมไปขนาดไหนเป็นเรื่องลมปากของคนแต่ตนคงตนรู้ไปจักนี่เกิดจากการประพฤติปฏิบัติการประพฤติปฏิบัติจึงสมควรที่พวกเราท่านจะกระทำบำเพ็ญให้รู้ให้เห็นให้ดีให้เด่นตามจิตรู้ จิตค่องในเรื่องของกิเลสตัณหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเราเคยหลงเคยเพิดเคยเพลินเคยจิต เ, เ, เคยข่องมาด้วยกันทางนั้นเราจะมาอบรมจิตทีนี่ทีรจะนาให้จิตสงบระงับสั่วระยะเวลาจะทำไม่ได้หรือจิตสิ่งอื่นทำไมมันคิดได้จะมาทำจิตทำใจให้สงบทาไมมัน จะทําไม่ได้เราทําไม่ได้ใครเขาจะมาทําให้เขาจินกว่าอิม่มท้องของเขาเราไม่จินก็ไม่มีวันอิ่มเราสอนตนอย่างนั้นแล้วฝึกฝนอบรมต่างหน้าต่างตาแต่ทำ ม, มําเ็นให้จิตได้สงบระ ง, งับจะเชื่อมัน่นมาคุณน่ า, าศาสนาลึกความสุขจรแท้จริงไม่ได้อยู่ที่อื่นอยู่ที่จิตทายจิต ได้รับอัดคำรับความสงบสงัดการปฏิบัติไม่ต่อบังคับบัญชามันยากจะประพฤติปฏิบัติเพราะทุกคนไปไม่ว่าแต่งแต่มนุษย์สัตว์มันก็ชอบความสุขตามสบายแต่มันไม่รู้จักว่าความสุขมันอยู่ที่ไหนไม่รู้จักวิธีที่จะประพฤติปฏิบัติให้ใจสุขใจสงบ แต่นั้นมันจึงวิ่งหาแต่ความสุขความสบายแต่ไม่เห็นแ่่ความสุขอันแท้จริงมันอยู่กับตัวข้องตัวหากฝึกอบรมให้รู้เห็นเด่นไปจากไหวจิตนี้เป็นเรื่องสำคัญสุขได้สงบได้ประเสิฐวิเศษยิ่งปากความสุขที่ตาได้ดูหูได้เห็นภายอกมากมายกายกายอง ตั้งหน้าตั้งตาภาวนารักษาอารมณ์ทันยาสิ่งที่ชั่วเสียต่างๆปดัดเป่าออกไปทำจิตทำใจให้สงบระ ง, งับเกิดความสว่างสวัประเสริฐนิเต็ดกา ร, ป, รปฏิบัติธรรมมีคุณค่าสาราอย่างนั้นไม่อย่างนั้นก็ไม่มีาศาสนา ยืนยงคงมาขนาดนี้เพราะความดีของศาสนาไม่ได้มีกฎหมายบังคับบัญชาทุกคนไปจะต้องปฏิบัติศาสนาไม่ปฏิบัติจะต้องจับกลุมลงโทษอย่างนั้นอย่างนี้ท่านไม่ได้บังคับบัญชาอย่างนั้นแต่เถ่าผู้ประพฤติปฏิบัติศาสนารู้เห็นเรื่องของศาสนาว่าเป็นจริงที่ประเสริฐวิเศษท่านจึงยอมเสียสละหนึ่งโลกออกมาประพฤติปฏิบัติ คนที่อยู่ในโลกหากอยากจะมีความสุขความสบายาก็พยายามภาว น, นาพยายามรักษาจิตใจของตนเมืออมม่อฝึกอรมหูเห็นเด่นเข้ามันก็หมดสงใสว่าศาสนามีคุณค่าอย่างไรสำหรับโลกจมพากัน ทีนี้พี่เจนะพ า, าการศึกษาหาการประพฤติปฏิบัติเพราะคนเท่านั้นที่จะะทําได้เป็นภาพพระสัตพวกอภภาพพระสัตวหมายถึงสัตว์สิริฉานไม่สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติมักผลได้เราโชคดีที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์เพราะพระพุทธศาสนามีครูมีอาจารย์แนะนําต่ําสอนถ้าเราฝึก ปฏิบัติแล้วไม่มีทางสงสัยจิตใจที่เคยหดหูจิตใจที่เคยปรุงปรุงต่างๆมันจะหายไปหมดไปทำจึงเป็นเหลืองชำระใจที่เศร้าหมองขุ่นมัวได้เป็นอย่างดี